ปฏิบัติธรรมกันนะเรื่งไหนไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นต่อกายต่อใจอเราเลือกได้นี่ที่รเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมมาพิไนวิธีที่ปฏิบัติธรรมที่จะเห็นธรรม ที่เป็นส่วนกุศลและอกุศลเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ก็คือมีสติสมปัชัญญะตั้งไว้ก่อนจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้ามีสติตั้งไว้ที่กายอย่างชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้เ <c oughs> นี่ยจะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องหม่มศียารรมญาติก็ัง ไม่ใช่แต่เมื่อใดที่เรามีสติอยู่กับกายเป็นประจำดูกายเป็นประจำเห็นกายเป็นประจำทาให้มันรู้อยู่เป็นประจำการเห็นกายมาเชดตามองเห็นลูกนั่งลูกขืนลูกเดินลูกนอนมันรู้สึก ที่มันเจตนาลงไปกับการเคลื่อนไหวของกายไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีเจตนาก็รู้แต่การเจตนาเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำให้มีที่ตั้งมีงานกระทำมีที่ตั้ง คนทำงานต้องมีที่ตั้งแห่งการงานถ้าไม่มีที่ตั้งแห่งการการะทำให้เรียกว่าการทํางานหรือว่ากรรมกรรมการการะทําชนนี้ จ, จัดจาแนกไปเองการทํางานที่มีที่ตั้งงานก็สับเปลี่ไปเป็นชิ้นเป็นส่วนไป การมีสติตั้งไปที่กายนี่มันไปไหนก็กลับมาตั้งไว้ถ้าอันม่ใช่สติเกิดขึ้นมาก็กลับมาตั้งไว้เราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นงานเป็นการงานที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สตินั่นมันจะหมดไปหมดไปจนความหลง เกิดขึ้นมาเราไม่ตั้งใจจะสร้างความหลงแต่ความหลงเมื่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกตัวนั่นคือกรรมรือทํางานแล้วตทำความหลงให้มีความรู้สึกตัวแล้วความหลงไม่ใช่ธรรมที่เป็นกุศลไม่สําเร็จแต่ถ้ามันหลง ความหลงเป็นความหลงแสดงว่าไม่ทํางานแล้วไม่มีกรรมการกระทําแล้วปล่อยให้ความหลงเป็นความหลงก็มีเวลามันหลงเกิดขึ้นมามีความรู้สึกตัวกลับมาที่ตั้งนี้นี่คือกรร ม, มาฐานที่ตั้งของการกระทํามสิ่งใดก็ตามที่ม่นเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติ เกิดขึ้นดีก่กายที่ใจเวลามีสติดูกายเคลื่อนไหวก็จะเห็นใจที่มันคิดที่เป็นงานเยอะแยะเลยไม่จะ้อยู่นิ่งได้ทำงานต่างกายทางจิตใจตางจิตใจคือมันคิด <c oughs> มันการเคลื่อนไหวของใจค <c oughs> ือมันคิด การเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินนั่งนอนคู่เหยื่อเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของจิตใจคือวันคิดคือความคิดปฐวาลของจิตการจุดหมายประมือของจิตจิตสุก็สุขจิตทุกก็ทุกจิตลักก็ลักจิตชังก็ชังไอความสุขความทักข์ความลักความชังเกิดขึ้นในจิตคือความคิด นั่นก็เห็นเหมือนกลับมารูที่กายที่มีที่ตั้งเอาไว้มันอาจจะเสียดแตทั้งสงด้านด้านกายก็มีงานทำให้เสียดได้ด้านใจก็มีกรรมมีงานทำให้เสียดได้ให้มั่นใจให้มีศรัทธา่าทำแบบเชื่อเชื่อจะทำแบบซื่อบือ้ออย่าดือ้ออย่าด้าน เลยเหลือเฉยได้ความหลงเฉยได้ความลักความจ๋งเฉยได้ความสุขความทุกข์ไม่ได้ทําไม่ได้ดูดีไม่ได้สัมผัสตัวการทํางานมันเป็นการสัมผัสสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสกับความหลงเกิดขึ้นมา ความผัดกับความผิดความถูกความล็ความชังความยากความง่ายเกิดขึ้นมามันจะต่างกันอยู่ระหว่างความผิดความถูกความยากความง่ายกับความรู้สึกตัวนี่ดูดีๆตรงนี้จะได้เห็นช่องเห็นทางจะได้เรียนขี้วัดจะได้ตัดฉินจะได้ทำถูกต้องเป็นการทําทำที่ถูกต้องเกิดขึ้นมา มีความเหตที่ถูกต้องเกิดขึ้นมามีการกระทําถูกต้องเกิดขึ้นมามีความคิดถูกต้องเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปล่อยเที่ยงๆควงๆปล่อยให้หลงเป็นหลงปล่อยทุกข์เป็นทุกข์ปล่อยให้ผิดเป็นผิดปล่อยถูกเป็นถูกกสปล่อยแบบหนึ่งท้าทุกข์ก็ไปแบบหนึ่ ง, บบงมันก็เคยทินทางนั้นซึ่งเราก็เคยเป็นบาอย่างนั้นมาแล้วเคยทางนั้นมาแล้ว ชำนาญทางนั่นมาแล้ว <c oughs> จนอายุ่าถึงปูนนี้มาชำนาญในทางอื่นไม่ใช่ํำนานในทางรู้สึกตัวอาจจะง่ายที่จะหลงเวลาว่าปฏิบัติธรรมมีสติมันง่ายที่จะหลงสิบสี่จังหวัดที่เรากำหนดให้รู้เนี่ยมันรู้ทุก จงเบาหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับ่าดูตัวเองต้องเก็บตกตรงนี้เพงจะเกิดกรรมขึ้นมากรรมที่จะสมเด็จกรรมจะแนกไปในความสาเร็จตาถทาไปเก็บตกตรงนี้ก็งานไม่เสียัสติล่ะจะติว่าจะได้ เกิดจากความสิ่งนี้ไม่ใช่สติความหลงไม่ใช่ความรู้สึกตัวให้ความหลงเป็นความรู้สึกตัวลรวเก็บเอาตรงนี้ให้ความผิดเป็นความรู้สึกตัวให้ความถูกเป็นความรู้สึกตัวให้ความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวให้ความโกรธความโลภความหลงเป็นความรู้สึกตัวมันจะเข้าไปเข้าไปเข้าไป แกงก็ขึ้นมาให้เลิดตัณหาเป็นความรู้สึกตัวให้ความเจ็บความเจ็บ ค, ความตายเป็นความรู้สึกตัวไปโน่นจุดหมายปลายทางถึงโน่นแต่ตั้งจากความหลงเป็นความรู้นี่ถ้ามันเกิดหลงขึ้นมามีความรู้ไปไม่ถึงไหนโชวยมาแจ้งกุแ จ, จไม่หายอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมหลงจนตายทุกจนตายโกจนตาย ตอนทีไม่ใช่ทรรมเป็นที่เป็นกุศลเป่ดกุศ ล, เ ป, ศลเป็นการลงโทษตัวเองแล้วก็มีอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราพระพเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ข้อมทั้งพระธรรมควาศสอนอันเป็นไปเพื่อเราออกจากทุกชีวิตของเราเันถูกทุกข์ครอมงำหนึ่งละ ลูกก็ไม่เท reviews, United, icas, rolling, ี่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เราก็ว่าทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนพรเจ้าก็บอกแบบนี้ ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนความโกรธก็ไม่ใช่ตัวตนความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความสุขไม่ใช่ตัวตนความโกรธโลกหลงไม่ใช่ตัวตนความแย่ความเจ็บความตายไม่ใช่ตัวตนเอาถูกครอบบามแล้วเราเป็นทุกข์พกความไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ก็วั่งทุกข์ เจตีมันจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยหวงไม่เที่ยงก็คือรู้จักตัวห่วงไม่ทูกคือความรู้จักตัวหวงรู้จักตัวไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันลงมาตรงนี้มันลงมาเลขศูนสุขเป็นสุขไม่อได้ศูนหวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นเนยรู้จักตัวไม่มีค่าแล้ว ความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมารู้สึกตัวไม่มีค่าแล้วไม่มีค่าที่เป็นอะไรแล้วมีค่าที่เป็นความรู้สึกตัวนี่คือธรรมะวิในธรรมะวิในวันหลงที่ใดรู้ทุกทีวิในเปลี่ยนก็ไม่ดีว่าให้เป็นเรื่องดีวิในวิคือนำไปน่ะยำไปในยะนำไป ความดีความหลงไม่ดีความรู้สึกตัวไันดีความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไว้ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องวิในเวลาหลงที่ใดรู้ทุกทีกนี่คือทำมาวินในปฏิบัติตามทำมาวิในไม่ใช่อ่านหนังสือก็หลงเป็นหลงลงเป็นหลงทุกเป็นทุกต้องต้องเอาบัต หลงจนตายทุกจนตายเป็นตื้อด้านไปเลยด้านไปเลยไม่ปฏิบัติตามทำมาเพือนอาบัติแค่มัขวงกันขวงกั้นไม่เกิดมาเกิดผลเป็นธรรมขวางกั้นกอบหลงขวงกั้นมากวนขวงโกดขวางกั้นมากวนควมทุกขวงกั้นมากผล เราจะมีวิในปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ทำได้ทำได้ให้เชื่อมัน่นว่าเรานี่เป็นชีวิตมนุษย์ประเสริฐพัฒนาได้พัฒนาได้มันจะมีสิ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองที่มันเกิดมาทางกายทางจิตใจหลายลายอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม เราจึดจะได้พัฒนาตัวเองจะมีสติจะได้เห็นกะตือเลือ่อนโอ้โหได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรูปเป็นเป็นเรื่องสุดยอดเลยมันเป็นเรื่องเริ่มต้นเมื่อว่าไรเริ่มต้นจากตรงนี้ท่ามกลางคือตรงนี้ที่สุดคือตรงนี้ถ้าไม่มีการเริ่มต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเพราะตนเราจึงมาเจ็บตรงนี้ ถ้าไม่ทําก็ไม่เห็นนะจะคิดเอาไม่ได้นะไม่สัมผัสไม่ได้นะถ้าคิดเอาก็ตอบได้ว่าความหลงไม่ถูกต้องแต่ก็ยังหลงอยู่ทั้งๆที่ตอบได้ความทุกข์ไม่ถูกต้องนะก็ยังทุกอยู่ทั้งๆัที่ตอบได้ใครก็ตอบได้ความโกรธไม่ดีความทุกข์ไม่ดีแต่ก pues okay. no. no. no. no. ็ย <wh> okay ังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่รู้ว่ามันไม่ดี ถ้าภาคปฏิบัติไม่ต้องไปรู้มันทาเป็นมันทำเป็ น, ม, น, ปนมันทำได้แล้วทาได้แล้วปฏิบัติได้หลงที่ใดปฏิบัติให้รู้ได้ปฏิบั ต, บติออกจากทุกได้ทุกที่ใดให้มีควมรู้ได้ปฏิบัติเป็นสถาบันไม่เปลี่ยนเป็นเดืงแล้วเป็นสติทั้งนั้นแล้วสถาบันคือสติปฏิการในใจ เป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเดี๋ยวนี้ใครเป็นเจ้าของกายใครเป็นเจ้าของใจเขาหิ้วไปไหนยนั่งอยู่นี่เขาหิ้วไปไหนยใจมันเป็นใหญ่หิ้วไปไหนยเอาคิดไปห้วยไปแฉาไม่กับความคิดความคิดที่ไม่ตั้งใจพอให้เป็นทุกข์เป็นโทษก็มี เราจึงมาพัฒนาตรงนี้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตัดชินใจจึงตามธรรมเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ให้เอาจริงจิงให้ออกความเป็นธรรมความถูกต้องเป็นเกณฑ์ขี้วัดกับตัวเองชิ้นไหนไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาต้องแก้ไข ได้ยาปรินยอมบันมันทำได้อยู่ไม่ได้วิธีใดก็วิเทียงอยู่เช็นกวงม่วงเกิดขึ้นมาเวลาไหนหลวงา่าจะเรินสติหลว่อจะเกิดควงม่วงอย่างไรก็ถอะทีแก้จนได้โดย ว, วิธีใดวิธีหนึ่งมองไปท้องฟ้ามองยอดไม้มองทิศทางทำรู้สึกว่าเป็นกลางวัน ไม่ใช่กลางคืนไม่ใช่เวลานอนสอนตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาหามกา่อยยืดตัวขึ้นยืดหน้าอกขึ้นบางใบหน้าใหม่ตั้งตั้งใหม่ใหม่แล้วก็พิภตาดูอะไรต่างๆถ้าไม่ชัดก็พิภตาใหม่ผม ร, รู้สึกตัวเป็นตาไหนก็ต้องตั้งท่าใหม่ให้เหมือนกับขอถ่ายภาพต้องดูดูดูทางให้ไป็นกต้อง ทางดูไม่ชัดก็ไม่ชัดไม่สวยไม่งามชีวิตเราก็มันก็ประเสริฐกว่านั้นสามหัดตั้งท่าได้ตั้งท่าได้เอาใหม่เอาใหม่ชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เสมอฝึกใหม่ๆต้องท่านั่งท่าเดินอย่าให้อิบทดเดียวนานๆมันพลาได้บางทีนั่งจกมือช้างจังหวะมันจิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมก็มี ยกแต่มือไม่รู้สึกตัวมันจะด้านตรงนี้ก็บีเลยใสยใจชั่งหน่อยให้มันรู้จริงๆรู้จริงๆอย่ายกไม่แบบไม่รู้มันจะเป็นนิสัยไม่ดีเมื่อนิสยไม่ดีเตะต้นมันก็ยากมันเป็นหมันได้มันด้านได้ ยกมือต้อเจตนาเจตนาของพลิกเวกรรมมังมัถทเจตนาได้แหละเป็นกรรมจึงจ่มีผลถ้าไม่มีเจตนาเป็นกรรมไม่มีผลเจตนาก็อย่าไปเพ่งเล็งฟิงจ้องเจตามันจะบาบาบางมันยิ้มแย้มเฉยใสสัมผัสเกลียวมันไม่จะมันจะมีรอยยิ้มในหัวใจเลือดตึกดหัวใจเลือดตึก เห็นความหลงก็ยิ้มเห็นความหลงนี่คือหลงโลยื้มเห็นเป็นภาวะที่เห็นไม่ใช่เป็นภาวะที่เป็นถ้ามสจติตที่มันปึก ด, ดีแล้วเห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นมันเกิดขึ้นมาให้เห็นมันไม่ใช่มาให้เป็นมันหลงก็เห็น มันสงบก็เห็นมันฟุ้งซ่านก็เห็นมันลู่ก็เห็นมันไม่รู้อะไรก็เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นก่อนเห็นเช่นนี้เป็นดวงตาภายในดวงตาแบบนี้จะเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ถ้าเป็นผู้เป็นมาจะยากก็หน่อยใหม่ๆจะเป็นพอทำไปทําไปมัจะเห็นสติมันเป็นการเห็นนะถ้าเป็นสติปัฏฐานมาจะเห็นโตตอบทักท่วงได้เป็นใหญ่ได้ถ้าสติได้เห็นแล้วไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นไปได้เพราะ ความเท็จความจริงก็มีอยู่ในนั่นแล้วถ้าเห็นแล้วก็ก็ก็หนี้ไม่พ้นแล้วทำย่อมชนะอาธรรมเสมอนี่เราพัฒนาได้จะได้ความเป็นธรรมตัดสินใจด้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับตัวเองกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นด้วยความเป็นธรรมความเป็นธรรมเป็นเกณฑขี้วัดตั้งไว้ เป็นมาตรฐานของการใช้ชีวิตชีวิตที่มีมาตรฐานได้แบบได้แผนในการตัดสินเพเบอร์ไม่มีแบบอยู่ม่มีพิมพ์อยู่เรียกว่าเหมือนกิดเส้นได้ลอดอกไม้ ถ้ามีแบบมีแผนจริงๆตัวทุกคนมีแบบมีแผนมีทำไม้วิดไหนจริงๆก็เหมือนกับเช้นได้ร้อยดอกไม้เมื่อเช่นได้ร้อยดอกไม้ดอกไม้ต่างลูกต่างสี่างกินต่างต้นจะกลาเป็นอันเดียวกันคนเราก็ลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจคอ เมื่อมาปฏิบัติตามทำวยไหนก็จะเป็นอันเดียวกันความหลงก็เหมือนกันหมดความโกรธเป็นการบอดความทุกข์เป็นกันหมดถ้าไม่หลงก็เหมือนกันหมดมหเมมดดติษฐนีจะทำให้เราเป็นค น, ค น, น, ค, น, น, ค, นคนเดียวกันได้ถ้าก่อนมีเฉติก็กลายเป็นคนคนเดียวกันได้ถ้ามีเฉติก็เลาะความชั่ว ถ้ามีสติก็ามความดีถ้ามีสติจิตก็บริสุทธิ์เหมือนกันหมดตออเราขมชื่วก็เป็นศีลแล้วามความดีเป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรครอบ ง, งำไรยก็เป็นปัญญา สิ่งก็กำจัดกิเลสไปเลยสมาธิกาจัดกิเลสปัญญากำจัดกิเลสสิที่เช่ามองให้เกิดกายก า, ายใจเราแล้วก็ไปเข้าวหน้าแบบนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เดิมสติกายปัญญาเป็นปัญญ า, ญาย้อนยังรู้ไม่มีอะไรขวงกันได้รู้แล้วรู้แล้ว ลู่แล้วแล้วไปแล้วมันแล้วไปแล้วเพาว่าลูกมันแล้วไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นในกายทในใจลู่มันก็แล้วไปแล้วมีแต่ตัวลูกเขาไปครองแล้วได้พื้นที่แล้วเป็นใหญ่เป็ในกายเป็นใหญ่ภายนจิตใจแล้วสติปัฏฐานเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์สติอินทรีย์ตัวใหญ่ เข้าสู่ธรรมชาติใหญ่กว่าตากว่าหูแต่ก่อนกายมันใช้เราใจมันใช้เราตาใช้เราหูจมูกดิ้นใช้เราบางทีก็เป็นทุกข์เป็นโทษใช่ไม่เปลี่ยนใช่ไม่ถูกต้องถ้ามีสติอินสีโปรใหญ่แล้วก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจ แต่ก่อนนี่ไม่ไดคิดก็ไม่ได้ใช่ใจตั้งถ้าเป็นตัวกรมตัวใหญ่คิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ยพอเห็นคิดที่ไม่ตั้งใจมันก็ตกใจมันถือว่าผิดแล้วก็ตือรือล้นแล้วกําลังมีสติอยู่นี่มันคิดไปเนี่ยโตตื่นมากๆตรงนี้ วพระเจ้าก็คงจะผ่านตรงนี้เหมือนเป็นทางไปทั้งว่าเราได้เดินตามรอยตรงนี้นั่งคู่ียนเข้าหย่ดฉันออกอยู่ต้นสีมหพรอาวเขาคิดถึงพิมพาไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองกลับมาตื่นอางทีก็คิดไปถึงนาหนุ้นก็กลับมาเาเหมือน คนมีอะไรที่ผ่านมาก็ย่อมคิดถึงถึงที่ผ่านมาเหมือนเคยเปิดเคยเปื่อนเคยเคยเดินทางนั้นความรับของเจ็ดชางความสุขความทุกข์ความโกโลุ่มหลงก็ามาใช่จิตรับใช้ทุกอย่างจิตจิต ด, ดีๆกลายเป็นจิตที่เปิดเปื่อนจิตที่ก่อนบริสุทธิ์แต่ก่อนบริสุทธิ์อยู่ ก็ใช่ไม่เป็นก็เปิดเพื่อนหลายๆอย่างเป็นนิสัยไปเจริญนิสัยอนุสัยบายราคาจริตโตศาสต์จริญโมหะจริญบังโมเปิดก็เป็นพุท ธ, ธจริญพุทธเจริญอะไรก็รู้อะไรก็รู้รู้แล้วรู้แล้วพุท ธ, ธเกิดขึ้นในใจของคนคนที่เป็นมนุษย์เนี่ย ประจัประเสรนี้เราข่มเพื่อได้ทำความดีได้ง่ายเป็นงานของกายเป็นงานของ จ, จิตใจได้ชีวิตที่ไม่มีภยัยปลอดภัยในมาตรฐานจึงจะมีค่าสำหรับชีวิตเราที่เกิดมา มันเห็นอยู่เป็นอยู่เราว่าสัมผัสกับวมรู้จักตัวนี่จะได้เกณฑ์คิดวัดถินทุกสิก่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมารู้จักช่วยตัวเองเป็นรู้จักทำรู้จักดูแลกายใจเป็นดูแลกายดูแลใจเป็นกานรดูแลกายดูแลใจนี่มันก็ไม่บ้า ปฏิบัติธรรมขึ้นมาดูแลกายใจให้มันคุ้มมันก็มีสองอย่างเท่านี้ถ้ามีสติจะดูแลกายใจคุ้มได้ปลอดภัยได้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทางกายอะไรเกิดขึ้นมาทางกายก็รู้เกิดขึ้นมาทางจิตใจก็รู้สักตัวช่วยกายได้ช่วยใจ มันเป็นงานชอบที่สุดเลยแต่ช่วยก่อแต่ช่วยใจที่ให้เกิดความเปนธรรมขึ้นมาเนี่นบางทีคนติดบุหรีว่าจะได้เห็นเออหรือลูกชิวเออมันมีงานเกิดขึ้นมาที่มันไม่ถูกต้องมันโกดอลล์ที่โกด ไม่ถูกต้องที่มันติดมัอยู่ในใจจะได้แก้ไขจะได้เห็นถ้ามีจิตนะว่ามันเคยจึงใดก็จคิดนะตัวคิดนยะตัวที่มันบอกว่าเป็นงานเป็นการคิดที่ไม่ตั้งใจคิดมีสองอย่างตั้งใจคิดนี่เป็นปัญญาเอาความคิดมาใช้ให้เป็นงานเป็นการ แต่คิดแบบไม่ได้ตั้งใจนี่นี่แหละงานของกรรมฐานคิดได้ทุกโอกาสคืนเป็นขวัญกลางบันเป็นเปลวเกินว่าฝันกลางวันว่าคิดมีแลนอนหาเรื่องไม่คิดจะนอนไม่หลับหยุดคิดก็ไม่เป็นไม่อยากให้มันคิดมันก็คิด นั่นมันเป็นปลายเหตุแล้วบ่จงทิ้งอ น, นามจึงเป็นเช่นนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นก็มีโอกาสไม่ใช่โอกาสเราต้องมีแน่นอนคติที่เป็นพบเป็นชาติเกิดเ จ, เจ็บตายถ้าเรามาศึกษามาติปฏิบัติ มันจบได้มันจบได้ที่สุดได้นี่จะสติสติก็กลายเป็นมรรคเป็นผลไปได้สติเป็นต้ารลบผู้มีสติเป็นนารอบคือไม่เผอพระขีหนอศกพระขีหนอศกคือพระหลัน ผู้มีสติเป็นหน้าโลกไม่เผลอไม่เผลอไม่เผลออะไรเกิดจากการจะใจไม่เผลอรู้เพราะว่าดูอยู่นี่ทาไม่จะไม่รู้ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ก็มีสติมันเป็นหน้าโลกต้องเห็นเรื่องของกรมรู้จึกตัวทั้งหมดชีวิตของเราหนี้ วันจึงจะมีคุณมีค่าจะได้ฝุกตนสอนตนจะได้เกิเตือนตนเด่งเมื่อเราตัดถึงใจทุกความเป็นธรรมเกิดเจอเราได้แล้วก็มีงานเกิดขึ้นเยอะงานที่เกิดขึ้นเยอะกับให้เกิดความเป็นธรรมต่อไปมากมายอะไรไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นงานเป็นการเดินไปในปา่าเห็นขิงไหม้หักลงมาทับต้นไม้เล็กๆก็ไม่ปล่อยทิ้งช่วยเหลือไม่เบียดเบียนขาดไม่เบียบียนลายตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็คนอื่นสิ่งองื่นก็มันอยู่ไปนาด้ก็ต้องช่วยช่วยมันทําได้มีเมื่อยมีมือมีกําลัง ยิ่งเห็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นมบรษย์เกิดใจเจยตาด้วยกันจะปล่อยกันที่อย่างไรเห็นคนหลงก็ไม่หลงก็ได้ช่วยกันเห็นคนโกรธมอกก็ไม่โกรธก็ได้เห็นคนทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้อย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์เปลี่ยนรู้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ช่วยกันแต่ถ้าเรามารู้เรื่องนี้ คนหนึ่งโกรธคนหนึ่งโกรธตามคนหนึ่งโกรธก่อนคนที่สองโกรธตามคนที่สามโกรธตามคนหนึ่งทุกก่อนคนที่สองก็ทุกตามมีอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักช่วยกันเราจะต้องทำดีให้เกิดความเป็นธรรมในตั้งแต่วินาทีนี้ไปกับตัวเองและสิ่งอื่น เราก็ไปสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีปัญญาสามีมีลูกมีหลานายิ่งมีโอกาสะช่วยกันได้ดูแลกันให้ปลอดภยัยเราช่วยกันได้บอกกันทำให้กันดูอยู่ให้กันเห็นเราจะมีความตั้งใจสร้างสร้างกวงมเป็นทำให้เกิดขึ้นได้ในครอบครัวสามัคคีกัน เรามั่นใจว่าเราจะสร้างความสมัคีใให้เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะพยายามสร้างสารรค์ชีวิตของสังคมให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาโดยไม่ท่อถอยยิ่งยหย่อันนี้ถ้าช่วยเดินก็นไม่เป็นจะไปช่วยก็ได้ต้องรอร้องไห้เสียใจเมื่อถึงเขาเกิดจเจ็บใจ บางคนก็ต้องไม่ควมรักควาแม่แต่มาช่วยอะไรจริงๆทําทำดียังไม่ยังไม่ได้ทำดีสุดหัวใจรลโดนโรนี่ปล่อยพ่อไปแม่เทียงไ้ที่บา้านดังทั้งที่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณมีคนโอ้กำลังหาเงินหาทองอยู่รอวันได้เงินได้ทองจะไปช่วยพ่อช่วยแม่มันไม่มีวันข้างหน้า ถ้าอยู่ใกล้กันเวลาใดก็ต้องทําดีให้หมดเห็นหน้ากันก็ต้องทํานี้ต่วกันเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทําความดีให้เห็นมันหมดจะไปเหลือไว้วันข้างหน้ า, าจาะไม่เห็นกันเป็นปัจจัดตังอย่างนี้ธรรมะต้องเป็นปัจจัดตังเดี๋ยวนี้ กับตัวเองเดี๋ยวนี้กับคนอื่นเดี๋ยวนี้สิ่งอื่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้คนกับสิ่งอื่นก็เดี๋ยวนี้จึงมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเราหมายโจความเป็นธรรมถ้าเกิดที่คนแล้วเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายดินฟ้าอากาศก็มีความเป็นธรรมทศหลายสิ่งมีความบป็นธรามเกิดขึ้น ถ้าเราไม่เป็นพวามเมธรรมเรามันก็ไม่มีความทำทำเกิดขึ้นต่อทุกสิ่งหน้าเส้นเดียวกันเราอาจจะไมไ่ตัดต้นมาจากต้นแต่คนหนึ่งมางคนตัดแต่เราก็เดือดร้อนเพราะนั้นจึงฉวนกันทรรมมันสิ่งคุ้มของโลกคิดใหญ่ตกปกขึ้นมาลูกพ่อนี้แม่นี้เรา สร้างความเป็นธมตัดชี้ใจทุกความเป็นทรรมทุกระดีเกิดขึ้นมาให้ได้มีมัน่นใจมีศรัทธาเอาอย่างคนดีมีบรรพบุรุษมีบุรพาจารย์มีพุทธเจ้าเป็นบร ม, มบระชาาร์อยู่แล้วมีเหล่าพระอราหันต์สาวกเราก็เห็นล่องรออยู่ เห็นล่อเห็นลอยเห็นหอ่นอยได้รับไออุ่นอยู่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นเช่น น, นั้นเาอาไอพระเจ้าไปนี่เห็นขวา ม, ม่วงกว็เอพอพระเจ้าผ่านตรงนี้แล้วพระเจ้าจึงว่าภูเขาหวนกันจิตไม่บรรลุกนามความดีคือนี่หวนแล้วทำนี่มันเกิดกับเราแล้วพระเจ้าก็เห็นตรงนี้ มันขวงขั้นจริงๆวิธีใดที่จะผ่านไปได้เจ้าเคยสอนก็สงเราก็เหมือนปฏิบัติตามก็เห็นอันนี้เกิดขึ้นมาตรงหน้าตรงตากับผู้ปฏิบัติไม่ใช่เราคนเดียวดอกเราหลงคนหนึ่งก็หลงมาแล้วปรหารก็เคยหลงมาแล้วจึงเรียกว่า ความง่เป็นอกุศลเราโกรธพระรหันใ์เคยโกรธมาแล้วท่าดไม่โกรธทัานทิดหียกว่าความโกรธเป็นลักุศลความไม่โกรธเป็นกุศลกุศลเรากุศลเหมือนด้ามือหลังมือมันคนละมุมกันเ่ยนได้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความเจ็บความเจ็บความตายตรงกันข้ามของที่ตรงกันข้ามย่อมเห็นได้ง่าย เวลาเราเห็นความเกิดความหลงเกิดขึ้นกับมองท่้วมไม่หลงมองไม่หลงในเพียงแต่เกิดน้ำลายก็อาจจะได้ความไม่หลงได้หรือมือจุกมือสร้างจังหวะนี่มันตรงตรงกันข้ามของอยู่ตรงข้ามทุกอย่างเห็นประชิดัาตุก่นที่ยังไม่ตัดจะรู้มง ควเกิดความเจอะความเจ็บความตายเห็นคนแกอเห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เห็นคนล่องไห้เฉยเฉยเห็นเขาเผาศกเห็นเขาเจอะอะต่างๆเหมื่อคิดฮะถามตอบถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้ จึงเป็นการบ้านของพระสิท ธ, ธะจึงออกบวชมาศึกษาเพราอว่าทีาเกณฑ์ขี้วัดลาวาเมื่อมีความเกิดก็มีความไม่เกิดเป็นสิงทู่กันแน่นอนไม่มีความแจ่ก็ต้องมีความไม่เจอแน่นอนเมื่อมีความเก็บก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อนอนเมื่อมีความตายก็ต้องมีความไม่ตายแน่นอนจึงมาศึกษาเหล่านี้ได้เห็นสิงเหล่านี้ ได้เห็นจิตวนี้วิธีจะเห็นเช่นนี้เห็นนี่แหละเห็นเดี่ยวนี้แหละเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันหนาวมันร้อนมันเมื่อยมันล้ามันหิวมันเจ็บมันปวดไม่เป็นผู้เจ็บผู้ปวดมีแต่ตัวลูกตัวลูกตัวลูกผู้ปล่อยทางไปแบบนี้นะต่อเทียมมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บนะ เห็นเป็นแก่ texting, มไม่เป็นผู้เกอเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายได้ถ้ามันเก่าาก็ตายนป่าปนะให้เห็นให้เห็นอยา่าเป็นจังบอกแบบรูปรลว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้เห็นแล้นเกิดขึ้นจะเราให้เห็นอย่าเป็นมันจะเบามันจะบาเบกถ้าเป็นดัก นี่ก็เริ่มไปจากในปัจจุก้าวแรกเห็นอย่าเป็นมันจะง่ายถ้าเป็นเรามันยากมันตักนี่ก็เป็นส่วนประกอบให้การปฏิบัติเรากำลังทำอยู่นี่สมขวรเจอเวลากับภาพความกัน